การปฏิบัติคือก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เจอคุณอาจารย์ไาวเองที่แม่นวทางการทำปฏิบัติกากรปฏิบัติเนี่ยให้ทำกันอย่างจริงจังการปฏิบัติเนี่ยให้ทากันอย่างจริงจัจังจังจึงให้เราเมื่อถึงเวลานั่งก็นั่งไปจนกระทั่งเรียกว่า ยอมเสียช <c ười> ีว like, wow, ิตเลยแตกหักไปเลยก็ดูก็เดิกก่อนถ้ามันแตกไปเลยเมื่อยเมื่อยก็ถ้ามันนั่งไปเลยอะไรอย่างนี้ว่าต้องผ่านอย่างนี้แล้วทิ้งจะจะจะผ่านวนไปได้ทีนี้ก็ก็ผมมาพิจารณาถึงธรรมชาติธรรมชาติอย่างที่มีอยู่อย่างผุ้ิคว่นต้นกล้วยเราปลูกต้นกล้วยอย่างนี้ มันก็ต้องอค่อยๆเติบโตวันเวลาก็ค่อยๆเติบโตไปตามการตามเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งได้ระยะเอลาของเข า, ขาเขาก็จะออกดีออกฤทธิ์ให้ถ้าหากว่าผู้ปลูกมันเรดน้ำทวนดินสค อ, อยู่เป็นประจําแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ปลูกเร่งร้อน ไปพาต้นกล้วยในขณะที่มันยังไม่ถึงเวลาออกมันก็หาตีกล้วยหาลูกก้วยเกือนันถิ่นี้การปฏิบัติข่าหัก ว, ว่าเราเป็นเล่งเอาเป็นอาตายในลักษณะอย่างนี้มีข้านศึกกระทงชาหรือผู <c oughs> ยังถึงมาข้าอยู่ใทย ร, รอแล้วก่อนผู <c oughs> ้เียนมาหมอแล้วก็ตัดเพื่อมลงมาบ่มเลย <c oughs> เอาใกล้ไหมคือถ้าหากว่า ยังไม่ถึงเวลาไปผ่าต้นมันก็ไม่มีท้าก็ไม่พบพ ก, ก็พิจารณาจ า, ากธาติเองครับผมไอ้ น, นั่นก็พูดเพราะว่ามนุษย์เราโดยมากมันชี้เสียงมากกว่าแล้วก็สอนก็เผื่อไว้งั้นเนี่ยว่าไงถ้าว่าไอป้ป้ากค่อยๆไปน้าก็้อยๆไปน้าเราค้อยๆมามันมีแต่หลับลมันไม่ตื่นจริงๆแต่กระดูกมังหวดมันอะไรจำลองนั้นแหละอืม เรื่องว่าควรไม่ควรยังไงนี่พระพุท ธ, ธเจ้าเป็นคาตาดาท่านก็ต้องทราบเรื่องอุปนิสัยของจัดของคนแม้ครูบาอาจารย์เหมือนกันท่านก็จะทราบบ้างพอต้องควรอาการความรู้สึกอาจารย์วา่ายอย่างไรแม้ตัวตัวเองท่านก็เหมือนกันเวลาอ่อนแอมันก็อ่อนแอเวลากรรเล่นมันก็เล่นของมันเวลากรรจะเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่นั่งนึน ท่านเรค่อยทําพอยเป็นค่อไปนะเวลาโน่นและแกเท่าชราแล้วนั่นถึงเล่นใหญ่น่ามัสวางั้นนะโอ้มันไม่ได้เอาเรื่องอะไรพอเท่าแก่มันก็ติดเท่าติดแก่ถ้าไปไม่ได้โอ้ภาวนาไม่ได้ไปวัดไม่ได้เลยไม่จะเรื่องไปไม่ได้ทางสอนเรย่องนั้นเนี่ยคือการพาวนานี่เราก็ต้อาการภาวนานี่นะผู้พาวนาจะทราบเรื่องของตัเอง มันจะควรเร่งยังไงจะควรรีบยังไงอันนี้มันจะค่อยทราบไปเป็นลาหนักแต่ยังไงก็ตามเรื่องความอดความทนความขยันหมั่นเพียร น, นี้เป็นสิ่งจำเป็นมากถึงแมาขนาดยี่ว่าปผ่าต้นกล้วยทั้งต้นก็าตามเถอะนะตา ม, มาลุงเร่งปุ๋ยเร่งอะไรมันนั่นเป็นสิ่งน้าคันอยู่ยังไงข้ากับมาเชี่อาจารย์พูดนี่ ไม่ท่านเหรอเห็นเห็นท่านอาจารย์หลวงปู่บัวท่านบอกตายเป็นตายไปเลยตายไปเลยก็ท่านก็ทาอย่างนั้นมาแล้วนี่ใก้ท่านตายังไงการเทศก็มีหลายชั้นหลายภูมิเนี่ยที่อาจารย์ไม่ให้อัดเทศเวลาเทศกอนพระร้อนวัวน่ะอย่างนี้อ่ะอาจารย์ไม่อัดนะถ้าเทศอยางนั้นแล้วคด น อ, นอกฟังจะฟังไม่ได้เลยแล้วเหมือนกับสิ่งที่จะเป็ น, ปนไปได้ทั้งทั้งที่ตั้งสอนให้เหมาะสมกับผู้จะเป็นไปหน้าหรือผู้กําลังจะเป็นนั่นเองนี่ต่างั่นแต่ตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลามันล้มลูกคลานมันก็ล้มลุกคลานทำไมล่ล ะ, ลละท่านตั้งแล้วล้มตั้งแล้วล้มอยู่นั้น ถึงเวลาที่จะเร่งมันก็มีเหมือ น, นกันแต่เรื่องความเพียรความอดทนนี่เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่เราจะได้เห็นกําลังของเรากับสิ่งที่ต่อสู้นั้นน่ะว่ามันครอบครองกันอย่างไรหรือไม่อย่างนี้เราก็ทราบด้วยจากความกินจังของเราเหมือนกัน ทำเราไม่เอาอย่างนั้นบ้างมันก็ไม่ทราบเรื่องราวกันพอทราบมันแค่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็พลอดพอหย่อนไปารย์ที่สอไอ่านิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะตเ็มากมันที่ดีูกม ที่ผู้ี่จะมีโอกาสใหปฏิบัติแนวว่าแวานวที่มีมีจำนวนน้อยเหลือเกินพอได้ยิงน้อยแล้วบา ง, า ง, งท่านก็เหตการณ์ต้องทำให้ในความสาม า, ม า, มมออารถ ท, ที่จะมาปฏิบัติที่หมอลมเยอะอไมก็เการณ์เห่านทให้มอลมโอกาสในการจะมาปฏิบัติน้อลง จะเป็นหรือไม่ดีกว่าแต่การที่คุณหมอโดมไปรืมันเป็นมาาที่อันงที่จะทำให้คุณหมอดมสามารถปฏิบัติดอันนี้ผมใหญ่นแนวซีรเที่วแล้วไงที่นี่นอกจากคุณหมอดมแล้วมีใครน้องอ่ะ ว, ๆๆว่าหรือไงจะเป็นคุณหมอดม้งหมดไม่เป็นกไป แอบแองมันแฝงมันเป็นตัวกันหมดเลยเลยไม่ออกข้กมูลได้เลยแม้แต่ะอยู่ในวัดนี้ก็จะแอบแฝงไปเป็นตัวกันเลยมีแต่พระขี้เกียจแย่อย่างที่คุณพูดนั้นถูกต้องแนละ้วอันนี้มันก็แล้วแจกกรณีเป็นในลายไปที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะท่านว่าว่าเป็นศูนย์กลางแล้วใครจะนอมตัวเข้าไปได้มากน้อยเพียงไรก็ให้พิจารณาตัวเองเข้าไป รำใดเป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณว่าไม่ถูดถ้าเราจะคอยเอาแต่อย่างนั้นก็ไม่ถูกเจ็บรล็ผสมน้อยไปเรื่อยๆไม่ถอยอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องเวลาที่คนจะเป็นอย่างนั้น<ม>ก็ให้ได้เป็นทําอะไรเป็นก็จะให้เสียจะรเวลาเสียผลเสียประโยชน์ไปตัวเป่า ให้ได้ทต่สอนนี่สอนคือผู้ที่เข้าสู่สนามแล้วทําบนี้โดยมากก็เหมือนกับว่าสอนผู้ที่เข้าอยู่แนวรบแล้วแต่พ้ก็ตามเพราะว่าเขาตามผู้ที่จะมินจะเป็นไปได้อย่างนั้นมีเพาะอย่างนี้ก็คือพระ ทีูกขมูลเช่นาส น, านังนยประประชา ต, าตเตยาวยงสาหกรณโยมาชาม้าทั้งหมดแล้วหงเธอทั้งหลายไปเชื่ออยู่ตามลกบุญต้นไมเ้เถิดส่วนเลือกเพื่อก็คืออันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นงว่างเรื่งเลือกเือไปเ่องลดลาดับลงไปจากนั้นเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าเชื่อในธรรมบทนี้มาก ถ้าเราได้ทราบในตัวเองของเราแม้จะอยู่ในปา่าแต่นี้ก็ตามนะเราอยู่กับหมูกับเพื่อนเป็นอย่างหนึ่งพอปลี่ยนจหมูเพื่อนไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกเราจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยๆมันไปอยู่ในที่ที่เปรี้ยวๆเปรี่ยวด้วยแ ล, วแล้วแล้วยิ่งเต็มไปด้วยอันตรายนั่น่ะละจิตของเราไอ้เรื่องความขี้เกียจนี่ไม่ทราบ ม, มันหายไปไหนไปไหนนะ ความระวังตัวนะั้นมันมันจะเรื่องของสติแล้วมันเป็นความเพียนแล้วระวังอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนระวังอยู่งั้นตลอดเวละความที่ระวังเสมอคือความตั้งตัวเสมอเป็นความเพียนอยู่ตลอดไปนี่แมันสืกเนื่องกันให้ความเพียนก็ง่ายที่เหลือก็อ่อนกําลังบางทีมันมันคิดบ้าๆแต่มันทาบน้ํานะแ่แต่ไม่ทรามันเป็นยังไงมันเรียนตามความรู้สึกนี้เราเป็นกันเองนะ มันเคเวลาไปอยู่นั่นอยู่นานๆครับไปจิตมันเหมือนกับว่าอะไรมันไม่มีอะไรมากวนใจเลยมันมีแต่ความผ่องใสอยู่นั้นตลอดเวลาหโอ้เหมือนกับเป็นพระหรอหันต์น้อยๆองค์หนึ่งเ <c> ห <oughs> มือนเป็นพระหรอหันต์น้อยๆองค์หนึ่งวเวลาออกมาแล้วโอ้เอาที่เดียออกมาขายกับหมวดเขาพูดโอ้โหมันยั่งอยู่มากมายเ ก, ก้าอีกอยู่นั่นแต่ไม่ใช่เป็นความสาคัญคนว่าได้สาเร็จแล้วนะมันเหมือนๆ อ, อย่างนั้นอย่างนั้นเถอะเป็นจะเรียงว่าเหมือนเหมือ น, อนคล้ายๆ ว่เป็นพระหันหน้อยๆ อ, องค์หนึ่งอยู่องคเดียวนี่พอมาเข้ามานำหมูฮะขะน้านี่โอ้โหเอากิเลสมาขายหมูว่านะเต็มไปหมดโอไม่ได้นี่เอาเอาเอีทอย่างนี้สายเบงก็ต้องเอาอย่างนั้นทีเราต้องสร้างสายเราอีกนะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนีจงหมาถึงจิตเป็นนักต่อสู้นะถ้าแบบอะไรจะเป็นแหล่จะตายแหละนั้นจะไปถ้าจิตมันมีอยู่อย่างนี้นี่นะไม่นะเออมุ่งเลย เพื่อทําแล้วตออายก็เป็นก็ให้เป็นไปตามธรรมที่เชอ่ว่างนั้นแล้วจิตจะพุ่งไปในช่องเดียวแล้วมีกำลังมากมายแล้วความเรื่องที่เคยกลัวหายหมดมีแต่ความวว า, ากล้าหาญ อ, อย่างนี้แล <S <S ้วจิดมันเด่นที่สุดปไปไหนก็ไม่จะจกกิตสติคุ้คคมครองป้องกันอยู่ตลอเวลา ไม่คิดไม่มีทางที่จะเด็ดลอดออกไปคิดในเรื่องต่างๆความหน้าของสติความระวังตัวแล้วก็มีแต่เรื่องทำที่จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงานอะไรที่ท่านได้อาบุทานคำว่าสาท่ที่โก ร, รู้เองเห็นเองอย่างนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปลูกขาดเลยผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้แล้วรู้ึ้นมาเองรู้กันเอง ผลจุดท้ายแม้พระพุทธเจ้าท่านจะประทับอยู่ข้างหน้านี่ก็ตามถอะนะจะไม่ทูลถามท่านเลยในเรื่องสิ่งที่ตนรู้นะเหมือนกันท่าจะถามท่านก็ถามทำไมว่าเช่นว่าผมเห็นอันนี้ไหมนี่วะก็เร้าท่านที่เราเห็นเนี่ยทราบจะถามทำไมมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นพอไปเจอเขาแล้วก็เหมือนกันสมรสัมผัสที่ิโกไปเป็นนดำๆแล้วไม่ใช่ชั้นที่โกทีเดียวนะกิเลสทังตัวลดลงลดลงลดลงความสงบเย็นใจนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นชัดทั้งสองฝ่าย ถ้าสุดที่มีอยู่ภายในใจนี่ลดลงไปลดลงไปกําลังของจิตมีมากขึ้นมากขึ้นกาลังของจิตกาลังของธรรมเราก็พูดได้ในแง่เดียวกันเนี่ย้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นในชาติในตัวเองอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วหลายครั้งแล้วคือว่ากำลังของจิตมันหลอกตัวเองเนี่ย กือจินี้ก็พูดเรื่องหลักวิชาที่จะรู้เรียนรู้เรื่องของจิตคือจิตนี้มันแหลมคมมากแต่มันมีกิเลสเป็นเครื่องแหลมคมอีกทีหนึ่งเลยเสริมมันไปทางไม่ดีเราก็ตามไม่ทันมันจิตต้องสั่งสมสติพราะอำนานของความเพียรเข้าให้มากมันทันกันเมื่อสติมันก็เร็วปัญญาก็เร็วมันก็ทันแต่เรื่องของกิเลสอยากก็อียากแค่ไหนก็ทันกันไปเรื่อยๆทันที่ไหนตามฆ่ากันเลยเแก้กันตรงนั้นแก้งนั้นไป อยู่ในปา่าป่าเสือน่ยเสือไม่มีก็ตามกินนี่มันจะมาดภาพอาหลอกตัวเอง อ, ะอ่ะอมีก็เต็มดงเสือก็เต็มปา่าเอ้ย่องไปไหนมีแต่เสือจะกินพระองค์เดียวนึ่นเนี่ยถ้าพระองค์เดียวนี่เต็มดงอะ่ะมีแต่เสือจะกินเวลามันหล อ, มหลอกนนะมนนอนันหลอกกินนะเป็นตัวตัวสันคือกินนั้นแหะหลอกเจ้าของตอนนั้นสติไม่ไม่ทันนันหลอกเสือเต็มไปหมด พ่ฝึกเข้าฝึกเข้าฝึกเข้าเนี่ยทันกันดูเบงต้นก่อนให้จิตมันออกไปหลอกพยายามบังคับให้อยู่ในจุดเดียวจนจิตอยู่ในจุดเดียวได้แล้วมันมันก็มันไปหลอกนี่กล้าหารได้เกิดความกล้าหารและอย่างสบายไม่มีอะไรหลอกนี่ันเป็นความกล้าหารประเภทหนึ่ติดตามท่านของจิตนะวิธีฝึกผลมันมันมีเป็นขั้นขนอย่างนี้ แนี้จิตมันมค่อยก้าขึ้นไปโดยลำดับเพราะการฝึกอยู่เสมอการพิจารณาความแยบคายของจิตนี้มากเพียงไรเนี่ยมันจะฝึกหมายาำว่ามันจะรอบตัวอุบาแก้ตัวนั้นจะมากอย่างนั้นถ้าเรากําลังพิจารณาแยกข้าดแยกขันของเราอยู่นี่ ท, ทั้งวิปัสสนาอ้าวเราแยกภายนอกเขาแยกเหมือนกันยัง<ม>เสี้ยงเคยเขียนเนี่ยเสืออะไรกลัวเสือกลัวอะไรมัน่อย่างนี้นะ กลัวขนมันเลื้อนเราก็มีอย่างเขียนไว้ในหนังสือนลยนะนั่นแหละอุบายแก้ของนะกัวเล็บเล็บเราก็มีไม่เห็นกลัวเนี่ยมันแก้ไปนั่นนะกลัวฟันเอากลัวเขี้ยวมันเอาเขี้ยวเราก็มีฟันเราก็มีไม่เห็นกลัวเนี่ยไล่กันไปไล่กันไปเสือกับเรามันก็เหมือนกันธาตุเดียวกันนี่ในขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นมันแย่ธาตุมันจนเห็นกระจ่างมดทั้งธาตุเสือธาตุเรามันก็ไม่ทราบว่าอะไรจะกลัวอะไรนี่มันเท่ากันนี่ที่เป็นขั้นของสิ่ขั้นนี้มันไม่กลัวเสือเพราะเห็นนี้นี่ ขั้นหนึ่งไม่กลัวมันไม่กลัวเพราะจิตไม่ออกมีขั้นนี่ขั้นที่สองมันไม่กลัวเพราะมันแยกธาตุออกได้หมดธาตุเสือธาตุเรามันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเอาใจเสือใจเราใจเรามีธรรมใจเสือมีธรรมใจเรามีมากกว่าเสือกลัวมันทําไมนั่นมันแก้นนะมันพลิกดวงมันอย่างนั้นนี่พลิกเองในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความสามารถแก้ไขตัวเองไม่ให้มันหวั่นเพราะมันหลอกตัวเองจริงเฮ้ยพอจิตมันเลื่อนระดับเข้าไปละเอียดยิ่งกว่านั้น จนกระทั่งว่าโลกกัท่านไม่มีกําหนดมันว่างไปหมดเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดมันเป็นในจิตนี้เป็นไปหมดจริงทั้งๆังที่สิ่งทั้งหลายมันมีอยู่เนี่ยแต่จิตนี้มันว่างไปหมดมองดูต้นไม้ภูเขามันเป็นเพียงลางๆเท่านั้นแ่ะเพราะจิตมันไม่เห็นด้วยเห็นแต่เพียงตาทั้งกระสักก็เป็นเหมือนกับเป็นภาพอะไรนิดแต่จิตมันทะลุไปแล้วมันเป็นว่างว่างไปหมดี่ยถ้าจิตเป็นอย่างนั้นแล้ว ปุงขึ้นว่าเสือเนี่ยพอปรุงภาพมันก็รู้ว่ากลิ่นต้องจะหอมปรุงว่าเป็นเสือแตมันปรุงแล้วมันดับพักมันทราบอันนี้ปรุงกับพปรุงหลอกตัวเองภาพัญญสติปัญญามันทันทับดับพร้อมดับพร้อมที่เลยไม่มีภาพอะไรมาหลอกนี่มันไม่กลัวเพราะเหตุนี้เป็นชั้นๆอันนี้ละเอียดมากเพรออไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกพราะเพียงปรุงออกภาพมันก็รู้เที่ยว่าอันนี้มันหลอกนี่เป็นไม้ แลยไม่สนใจว่าอันตรายอยู่ที่ไหนไม่สนใจยิ่งกว่าอันตรายคือความปรุงของจิตค่าสึกที่มันอยู่ในจิตมันเลยเห็นว่าอันนี้เป็นข้าสึกยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมีเวลามันละเอียดไปมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่สนใจเลยกับเรื่องภายนอกจะสนใจเฉพาะกงจับที่มันหมุนอยู่เวลานี้เราจะแก้กงจับของนี่นี่แต่ตัวเป็นภัยตัวภยยัยจริงอยู่ที่นี่มันมาสนใจกับสุ่งนี้ใช่ไหแล้วไม่ไปสนใจกับอะไรทั้งหมดแค่สุดกดอิ่มอะไรมันก็ไม่สนใจยุ่งกับอันนี้ กระทั่งมันหมดจริงๆแล้วมันก็ไม่มีนิเรี่ยนวิาชาจิตรเรียนอ่งนั้นพอเรื่องเราตัวเองไม่มีในจิตแสดงว่าไม่มีแล้วเครื่องควบจิตวัตจิตวัตจักระอยู่นี้มันอยู่ด้วยกันนี่แกล้งตรงนี้พอแกล้งหมดแล้วมันก็เปิดออกหมดนี้เลยกระจายหมดแล้วแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆจะเป็นภัยอะไรภัย ไ, ไหนก็ภัยไหนไปได้หมดนี่ยวกกิธีฝึกจิตพวกอย่างนี้ท่านสูง ยังได้เขียนไว้ในประสบการณ์ของครูาอาจารย์เช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเขียนประวัติไว้ทั้งเล่มวันนี้ก็ได้พูดกันกับท่านผู้ภาษาบ้างเล็กน้อยถึงเรื่องที่ว่าความเชื่อหรือความไม่เชื่อของบุคคลผู้ฟังในเรื่องประวัติท่านอาจารย์มั่นถ้าว่าเราพิจารณาโดยทำแล้วเราจะถือประโยชน์ได้มากมายจากประวัติท่านอาจารย์มั่นพิจารณาโดยทำไง ยกตัวอย <of> question, ่างเช่นเราอยู่ในครอบครัวนี้เราจะต้องทราบเรื่องครอบครัวนี้ได้ดีเราอยู่ในหมู่บ้านนี้เราจะต้องทราบเรื่องหมู่บ้านนี้ได้ดีเราอยู่ในเมืองใดเราจะทราบเรื่องราวของเมืองนั้นได้ดีอดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในกรุงเทพเราจะต้องทราบเรื่องราวกรุงเทพได้ดีอยู่ที่ไหนจะต้องมีประสบการณ์ด้วยกันประสบการณ์นั้นนั้นเราจะต้องทราบเมื่อทราบแล้วเราจะต้องพูดได้ ท่านอาจารย์มั่นท่านตั้งแต่วันท่านบวชมาปรากฏว่าท่านอยู่ในป่าเลื่อยมาจนกระทั่งถึงวันท่านมรณภาพท่านอยู่นานเท่าไรตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติตั้งแต่วันอุปสมบทมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวันท่านมรณะภาพการอยู่ในป่าทําไมจะไม่ประสบประการเรื่องของป่าเรื่องอะไรแปลกต่างๆที่มีอยู่ในป่านั้นจะต้องประสบสําหรับผู้เข้าป่าเรื่องของธรรมการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เหตุผลในเรื่องด้วยราวเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่เราประสบมาแล้วเหตุได้สิ่งนั้นจะสูญไปจากโลกจะไม่ให้ประสบสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันะเมื่อเราปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเรื่องของกิเลสแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏในจิตใจของท่านตลอดการลบการแก้ไขซึ่งกันและกันระหว่างสติปัญญากับกิเลสที่ดวมแล้วด้ียกว่าความเพียนนี่ก็เป็นประสบการณ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นลําดับําดับ กระตั้งถึงมีมุดหลุดพ้นอย่างที่เขียนไว้แล้วนั่นแล้วผิดไปที่กองไหนพระพุทธทเจ้าท่านสอนไว้นี้ท่านเคยประสบมาอย่างนี้และสาวกทั้งหลายหรือคุณลุงบุตรทายาทภายหลังปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธทรงสอนแล้วซึ่งมีอยู่ในโลกทั่วๆไปไม่ได้สูญหายไปในโลกทําไมจะประสบไม่ได้ทั้งเรื่องของป่าซึ่งเป็นเรื่องภายนอกทั้งเรื่องของธรรมซึ่งเนเรืภายในพูดไปอยู่ในฐานที่ใดปปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ต้องประสบเป็นลำดับ ๆ, ๆ, ๆไปเช่นนั้นเมื่อประสบแล้วทําไมจะพูดละไม่ได้ล่นะน่ะ เมื่อพูดได้ผู้ฟังฟังได้อยู่ได้ยินอยู่ทำไมจะเขียนไม่ได้นัานมะกะลงนี่ก็เขียนได้สิเมื่อเขียนได้แล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นเรื่องของเราไม่มีปัญหาอะไรเป็นอย่างนั้นเข้าใจเหรือว่าไงนี่แหละเรื่องรามันเป็นอย่างนี้เอาเราจะยกตัวอย่างาเฉพาะมัตปามันตะนะแล้วมันต้องเอาที่อื่นมันเหมือนโกหกกันเ อ, เอาใกล้ๆนี้ยกตัวอย่างเช่นภาที่ท่านชอบัน้นทางอุดตสาห์นผลิตแสงที่ ท, ท่านชอบในทางนั้น ท่านอดรักษาแล้วท่านภาวนาได้ดี<ม>วัดป่าบรรษานี้เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาในบรรษานี้ก็ดีบรรษาใดก็ตามพอเข้าบรรษาแล้วอาจารย์จะให้งดหมดงานอะไรทั้งหมดไม่มีในวัดนี้ได้พระท่านอบรมภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่นิมนต์ไปในที่ต่งางๆไม่ยอมรับเท่านั้นแล้วขอบิณฑบาตทางแล้วอขอความเมตใจจากประชาชนทั้งหลายเนื่องจากเราจะพยายามปลูกฝังพระให้มีคุณงามความดีให้มีหลักมีเกณฑ์ทางจิตใจเราจึงต้องไม่รับนิมนต์ท่างไหน เพอเราเป็นหัวหน้าวัดเราต้องรักษาทั้งภาพทั้งเนนแตนี่เมื่อเวลาจรินยนิสัยท่านชอบในทางนี้ท่านก็อด<ม>องละเจ็ดวันแปดวันดูเรื่อยในพรรษาทั้งพรรษาไม่ปรากฏว่ามีพระมาฉันฉันครบองคเลยจนกระทั่งอ อ, อกพรรษาแล้วอย่างทุกวันนี่ก็ยังมีมบางองกดตั้งเจ็ดวันแปดวันเก้าวันสิบวันทีสี่สิห้าวันเดือนเดือนกว่าเดือนครึ่งก็มีอยู่ในวัดนี้ เรื่อยมาอย่างนั้นก็เป็นอัธยาศัยของท่านเองและทุก ว, วันนี้ก็ยังมีของท่านเชอรี่นี่หกวันนี่เล่ามังนเจ็ดวันนี้ยังไม่ถังนัอย่างนั้นแหละนี่ความจริงเป็นอย่างนี้เราเขียนตามความจริงอย่างนี้ท้ามทา่านถึงอดมันก็เป็นเรื่องของท่านถ้าท่านจะ อ, อดก็เนื่องจากเราที่เป็นอาการซึ่งเราก็เคยปฏิบัติมาอย่างนี้มีการกลิตงข้างเราเราชอบอย่างนี้ เราจะถือว่าเป็นคําสั่งก็เราไม่ถือคําสอนจริงเราก็ไม่ถือเป็นเตรียมอุบายวิธีอันหนึ่งของแต่ ล, ลายที่จะนำํำมาพูดปฏิบัติให้เหมาะกับจิตใจผจิตใจของตนแล้วเร า, าอธิบายให้ฟังเวลาว่างๆอธิบายวิธีการทำความภาคความเพียรควรตั้งตรจจิตนิสัยของตนแม้งั้นจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วท่านผู้ใดที่มีจิตนิสัยในทางใดได้เกิดผลเกิดประโยชน์จากความภาคเียดของตนแล้วให้จับหลักความเพียรนั้นไว้ให้ดี เช่นอดนอนเป็นยังไงบ้างหอนอาหารเป็นยังไงบ้างอดอาหารเป็นยังไงบ้างเดินมากเป็นยังไงนั่งมากเป็นยังไงคือที่ว่ามากนี่มากด้วยความเพียรทั้งนั้นแหละและทําความเพียรเสมอกันในยาบทต่างๆหรือในวิธีการต่าง ๆ, ๆแล้ววิธีไหนจะผลประโยชน์มากกว่ากันให้ยึดวิธีนั้นไว้เราสอนไว้งั้นเช่นอดอาหารแล้วก็เป็นตะเพียงว่าสอนท่้นนี่ท่านก็ไปทําท่านเวลาทำนี่้ันชอบ แล้อดอาหารแล้วรู้สึกว่าการภาวนานี่คล่องแคบดีผิดวิธีต่างๆที่เคยบาเพ็ญมาเพราะฉะนั้นท่านถึงชอบท่านจะอดทีวันเราก็ไม่กล้าบังคับท่านเป็นตเพียงว่าพระเดียงให้ท่านทราบ ท, ท่านเราบอกว่าอย่างนั้นเนี้จริงแล้วจะทําจิตใจของพระเดียให้มีความอดแอรลงไปเราต้องระวังพ้าอดมากไปยังไงท่าขาหนึ่งดีอยู่หรือท้องเป็นยังไงเราก็สอนแล้วถามพราเราเคยเป็นเวลาอดไปนานๆนานติดกันไปเรื่อยๆ ท้องจะไม่ค่อยดีถ้าปไปอย่างนั้นให้ระวังให้ระงับให้สังเกตตัวเองไม่มีใครจะทราบได้ดียิ่งกว่าเจ้ของท่าเรื่องตัวเองแล้วก็แนะเพียงเท่านั้นถ้าท่านจะทําด้วยมาบาโองค์ตั้งเดือนเดือนครึ่งเลยครึ่งถึงจได้ทําท่านไม่ขันทา่านดีดีงั้นดีนั่นแหละ <c oughs> นี่เรื่องพัสดประการณอันนี้เขาเรียกว่าสดุประการอันหนึ่งในวัดนี่มีอย่างนั้น <c oughs> ความหิวความหวยต้องมีเป็นธรรมนาเพราะเคยขันเคยกินไม่อดได้ไม่หิวได้เลยต้องหิว แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากนี้มีอะไรบ้างนั่นอันหนึ่งซึ่งเป็นจุดสาคัญที่ท่านต้องการถึงจะอดถิวบ้างก็เอาส่วนที่ดีมีคุณค่ามากได้ผลประโยชน์อย่างรวดเร็วตันใจมีอยู่เอาอย่างนี้พยายามกดทันไปเลเป็นไปตามเนี้ยนะเนี่ยที่เขียนไว้ในหนังสือนั่นอ่ะเขียนไม่ด้ความแน่ใจทั้งนั้นเพราะหนังสือของอาจารย์ที่เขียนทุเล่มไม่มีในเรื่องที่จะเกี่ยวกับอามิต โลกเราไม่มุ่งอะไรอะไรจากใครทั้งนั้นเรามุ่งจิตใจเป็นสิ่งที่สคัญมากเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนลงด้วยความแน่ใจของเราเราไม่หาเรื่องอะไรมาโกหกโลกให้เสียพก็ทําจะไปโกหกโลกได้งไงเมื่อเราเขียนลงไปเต็มความสามารถของเราที่รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็สุดทสายที่ผู้อ่านทั้งหลายจะนำมาที่นี่พิจารณาเองในหนังสือหนั บ, บ้างองค์ทั้งนี่ ไปหานั่งอยู่ตามทางเสือมาฝังเสอแล้วเปนนน็นอย่างนั้นจริงๆนี่กริตทั้ท่านเป็นอย่างนั้นถ้าไปนั่งเงินที่จะ น, นั่นจิตมันลงได้ง่ายมไม่ต้องบงังคับบัญชาอะไรมากเลยป้าบเดียวลงได้เลยลงได้กี่ชั่วโมงบางรายตั้ง12ชั่วโมงตังถอนก็มที่ดูตั้งแต่4ทุ่มถึง4โมงเช้าฟังท่นลงแล้วหายละเรื่องความตัวนี่ไม่ทราบ ม, มันหายไปไหนหมดไม่มีเหลือเหลือแต่ความอะไรอัศจรรย์พู่ได้ทั้งนั้น คิถ้าลงถึงฐานนั้นแล้วจะไม่อัศจรรย์ยนะัง่งต้องอัศจรรย์ตลอดชีวิตเนะี่ยถ้าเราไม่ยิ่งกว่านั้นต่อไปอีกแล้วเราจะเห็นความอาัศจรรย์นั้นตลอดชีวิตไม่ลืมเหมือนถึงทั้งหลายนะเพียงแต่คิดสงบลงไปชั่วสี่ห้านาทีก็ตามเถอะหากว่าเราไม่ได้ทาให้ยิ่งกว่านั้นไปแล้วสิบสิบปีเราก็ไม่ลืมเพราะเป็นสิ่งที่แปรกระลาดกว่าสินทั้งหลายอยู่มากนั่นจิดจริงเป็นของอัศจรรยอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติ อ้าวทีนี้เปิดโาการดีถ้าเพื่อนมีสงสายอะไรอาจารย์เลยไปตระเดเืด่เปิดเพิงเหมือนต่านหิงทองเผ็นวัดนะอ้าวหยุดซะก่อนท้าเพื่อนสงสายอะไรพูดได้อีก ง, ง่ายๆหาสงสารแล้วยังคนไหวอาจารย์เลยอธิบายไปจะมากลูกติดถามอย่างเล็กน้อยอาจารย์เลยไปใหญ่เพื่อนท่านผู้ฟังเข้าใจวิธีการปฏิบัติ อ๋อคันไหนว่าไปเวลาเราออกมาจากกรุเทศแล้วมันหายจากป่านั้นแล้วยังไหนนี่หรือมันยังอยู่ในป่าแล้วนี่อีกเฮ้ยมันหายหรือมันไม่มีเวลาที่ไม่มีแล้วเป็นประหลาดน่นอนขึ้นมาแล้วเหรอมันเป็นปรหลาดแน่นอนขึ้นแล้วเหรือ อันเนื่ากกรของสัตกับรของเราด้วยมันก็ถูกเนื่องจากกรรมของัดกรรมของเราเป็นยังไงไม่คํานึงก็ผิดนี่ถามไม่ทราบว่าความลึกลื่นอะไรอาจารย์ก็ค้าไปเรื่อยฮะถามลึกนี่มีความหมายว่าไงบ้างคือให้เราเลยการ่งใดก็ทำยางไงยกย้ยเรานงย่นไม่ได้ อธรรมนาไม่ลงตัจวจิตลราเป็นธรรมนาเรไม่คอยหาเรื่องอยู่แล้วพอได้เรื่องน้ำมือขยํมมากันตั้งคืนแล้ว <laughs> <laughs> มัมเรียกจกักอรีปอแลเรแล้วทธนาฏในอิีพอนะแต่กับเรื่องนี้มันไม่อีปอนะแล้วขยํากันเรื่อยอเด้อ <laughs> ใช่ไว้ล่ะ <laughs> อ๋อมันอิ่มดลถ้ามันอิ่มแล้วมันก็พออยู่ไหนมันก็เป็นอยู่ในถ้ำกลางแห่งเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นเพราะจิตไม่มีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์เป็นเรื่องภายนอกจิตไม่มีเหตุการณ์จะอะไรมาเป็นเหตุการณ์ให้จิตหรอกนี่หลักหญ่เป็นอยู่ตรงนี้เข้าใจได้หเนี <tr> ul <ular> ่ยพยายามพิจารณาใมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านี่ป่านนั้นก็ไปเธอนั่นฟังได้ว่าไปไหนไปเธอมันเป็นความอาถรรพ์กล้าหาญเป็นความแน่ใจ ภายในก็เหมือนก็เหมือนเก่านั่นแหละเรียบทการสถานที่ไม่มีมาเกี่ยวข้องเวลาจิตมันยังอยู่ในนี่มันอย่างว่าใบไม้แห้งก็ว่าเป็นอาหารคว้าคว้าคว้าคือคนหิวอาหารเนี่ยเข้าใจไหมคนหิวข้าวจะจัดที่เป็นนะมองเห็นใบไม้แห้งก็นึกว่าเป็นผักคว้าเรื่อยไปนี่จิตกําลังหิวโหยกับอารมณ์ทั้งหลายนี่อะไรหลามุกว้าคว่ายิงในเรื่องมาแล้วขยําทั้งมันนั่น ใช่ไหมล่ะลูกับลู่วิ่งตามเขาแนวกำลังกํากำลังไม่พอเขาตั้งตั้งไปลู่เราก็วิ่งตามเขาอยู่ว่างถูกตลอดกวกว่าเป็บ่เลยนะว่างกาลังเราให้พอมันจึงสร้างกำลังให้พอพ อ, พอแล้วอย่างนั้นเท่าเดิมนี่เหมือนแถที่ฝาเท้าเรานะ่ะ ถ้มันมีแผลอยู่ในฝาา่าเท้าเดินไปไหนก็มีแต่ข่าศึกอยู่เนี่ยแม้แต่แม้ที่จุดนะั้นย่าอ่อนๆมันก็เป็นค่าสึกได้กับแผลที่ฝ่าเาท้าเยนะียบแ๊้วอ๊้อเดื่อยอ๊้เดื่อยเหล่ยใช่ไหมละ่ะที่พอมันหายแลยนะ้วเราพยายามรักษาแผลร้อยหายแล้วยายาลก็เดินไปเหมือนกับโรคทั่วไปเนี่ยเดินไม่ได้อย่างสบายๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นไผ่นั่นจิตเหมือน ก, กันมันกําลังเป็นแผลแผลนี่มันคอยจะหาของสแสลงนั่นแหะ เ้าเป็นแขนไม่ค่อยหาของแถลงเลยนะไม่ค่อยสแสลงหาระวังตัวมากแต่จิตเป็นแขนไม่ค่อยระวังตัวใข่ไหมล่ะและชอบของแถลงด้วยเน่ะถ้าได้เรื่องได้ราวอะไรมาวันนั้งคำแล้วอา้านัวเนียอย่างน้นอไงต้องภาษาสนุกทั้งวันเลยล่ะอย่า ง, งนั้นจิตเดิมองจิตเต็นั่น มันเป็นเหมือนการยังไม่เป็นยงไัก็เรื่องมันมือนการจิตมันเป็นผู้รับรู้ในเรื่องทั้งหลายมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่อาจารย์ขาวทาไมแสดงทำะไรฟังบ้างเดี๋ยววันนี้เงินเท่ากนันหนึ่งนะ โเวลานี่ท่านคงจะปล่อยไปหมดแล้วแหละดูอาการท่านนะท่านปล่อยโม้แ่านบอก่านเจ้าทสงฆ์ที่มาอาศัยท่านู่ท่านปล่อยไปตามเรื่องท่านกรุงทุกอย่างภาระที่เกี่ยับท่านแนะนำสอนท่าน้รุงหมดแล้วปอยทังทั้งท่านโมหวอาจารย์อาจารย์ ว่าท่นานอาจารย์นี่ขโมยเขียนเอาปวัติท่านว่ะเขาโมโหสมหาว่าเพงเพ่เพเขียนประวัติทนายบวให้หน่อยนัะวางนนะบางทีท่านดูแล้วดูแลดูผมหน่กวางเงนนะท่านทไมขโมยเขียนประวัติเราว่ะเอาเอาหน้เพ่งนะท่านนั่นกัค <bullshit> ึก <h> ค <visto> <come> well ักเหมือนกันนะพอทางนี้ไปใส่ทีเดียวท่านเงียบเลยท่านยิ้มนะแต่ว่าท่เพงอยู่หน้าท่านจะขาวถ้าผมเขียนผมเขียนเองได้ แล้วเย็ยนยิ่กวท่านมาเขียนนี่วะ ห, หวังนี่ผนนมีชีวิตอยู่นะท่านจะเขียนเรื่องขงกมไปทำหมแล้วเราอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านเป็นไม่ยอมนะแต่ท่านแตงขาท่านยิง้คงจะหยุดเนี่อนี้พรคืออันนี้นะนงนอกถ้าดับข้างนอกนนเท่านั้นเขาเปิดยังไงนด้ทางนั้นมันไปไม่พอ คือเร า, มาไม่ใช้เครื่องใหญ่ถ้ามีใครมั่งใหสงสัยได้มั่งอ่ะมีไหมระยะนี้ก็สบายหน่อยที่ไม่ได้เขียนอะไรครเวานี้ไม่เขียนอะไรเลยตั้งไปอยู่ทางาาการงานมั่นเสร็จเงาเลยไม่เขียนแต่ก็ตอบจดหมายคนนะไม่ใช่เรื่นี้กันนะจดหมายอ่ะบันทีตอบวิสามันก็ไม่เขาไม่หมด พอหมดแล้วมาอีกมาอูเรร่เป็นกรรมไปไเป็นกรรมนะพ่อวิ่งอันนี้ผมได้สองฉบับหมายคนอื่นตอบแทนเราไม่ได้นอกจากเขาส่งสิ่งของมาอะไรนี่หระกเราก็ให้ท่านตอบแทนเราได้รับแล้ ว, ว, ลวททถ้าเขาไม่มีอะไรถามเรานะแต่เด่มากแม้จะส่งสิ่งของมาจะต้องมีอะไรถามมานั่นแหละเราต้องตอบเองคนอื่นตอบแทนไม่ได้ที่สามวันเขียนไม่จบ ถามอะไรเนี่ยต่างๆที่มาเรื่องลูกขมูลก็เป็นอันนัเข้าใจแล้วนะพู้หญิขขงคนลูกขมูลใารเป็นลูกขมูลแล้วผู้หญิทั้งไม่มีโอกาสก็รอไว้ก่อน ข้างนึควรจริงๆข้างนถ้าเอามาถายเราควรจริงแต่กวัน้ไม่เห็นกนไปว่าคือก่อนไปยังไงนิดนึงก่อนสะดวกก็วันนี้ท่อาไปอยู่ในกายก็เป็นที่สงสัยของทางบ้านเมืองอีกอ่อ้าวแล้วสงสัยทางป่าอีกแล้วเนี่ยเราเลยเป็นจุดขงสงสัยทั้งสองฝ่าย ไม่สะดวกปกัไปไหนประชบบารานไม่ uh huh. สะดวกเรื่อ <Okay. S 2> ว่าตัดมาทางโ้นแล้วต้องมาเข้าทางขนแก่นหรือเมื่อวานนี้มาท่านจันขาวท่านมาอยู่ที่นั่นท่คงบวกกอยู่ที่นั่นนี่พรกรรมฐานเลมาก รู้สึกรรมาฐานที่อดอนเยอะมากกวทุกแห่งอาจารย์ว่างนี่มากพรากนกคานก็มีท่านอาจารย์สร้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วก็มันนี่รู้สึกจะสะดวกกว่าทุกวัดคนไม่ค่อยอะไรๆวัดอย่างวัดถ้ำนี่<อ>สถานที่นั่นเหมาะแต่ที่นี่ข้าเห็นว่าสถานที่เหมาะพระละวาดเขาไปเห็นว่าเหมาะเห ม, เหมือนกัน เที่ยวก็ดูไม่มีวันเสารวัาทิตย์อ่ะวันชันจันขาวเต็มทั้งหมดวันชันจันท่น า, านหเหมือนกันเต็มไปหมดรถนี่ห้ามไม่สักนะทำของภาคเปลี่ยนอะไรวันนี้สายผู้ว่าจารผู้รักษาวัดก็าผิดกันไอเรามันขวานป่าสร้างคุณประจวบอาจารย์มันขวานป่าสร้างผิดเวลาห้ามให้ไปเลยใครมาก็ให้มาอยู่แค่นี้ห้ามให้ไป น้นบอกเวลานี้เป็นเวลาทาอมเพีลนน้องทักอย่าไปยุ่งท่านบอกงั้นเลยนะอาจารย์บอกงี้เลยไม่ไปยุ่งให้มาแค่นี้แค่สล า, านี้ถ้าตอนชาติเราให้ไปได้แล้วบอกเวลานี้พระอยู่ที่นี่ให้ไปได้พอเลยแล้วใครจะมาเราบอกไม่ให้ไปเราต้องกันไว้อย่างนั้นจะไม่ให้ไปจริงๆอะ่ะพอมาแค่นี้เรากลั บ, บอกบอนเพราะนั้นเราปลูกสล า, าไว้เป็นเอกเทศอันหนึ่งแต่ปกติร้านนี้เขาไม่ค่อยมาเท่าไหร่หรอกมาหาจาังเลยดี พราะผิดเวลาเวลาคงเข็ดมาผิดเวลาแล้วไม่ค่อยรับ <c oughs> ไล่เอือดแตกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็หนีเข้าป่าหายเงียบเลย <c oughs> ที่อื่นนั้นเราไม่ว่านะเพราะเราเห็นใจเขามาแต่ที่ไกลอย่างนี้ต่างจังหวัดมาถึงเมื่อไรเราก็ให้เข้าแต่สำหรับอุดรแล้วมันก็ไม่ไกลอะไรนี่ใครจะมาเมื่อไรก็มาได้ตามสบายไม่เอาอย่างนั้นนะเราให้เวลาเช่นตอนเช้าตอนเช้านี่เหมาะมากกว่าทุกการเราบอกนะั้น แล้วก็ตอนบ่ายนู่นบ่ายสี่โมงนั่งสองให้ให้สองรลยะที่นั้นก็ค่อยทราบกันล้ะผมผมมากินมาแต่ตอนเช้าเขาอตอนเช้าตนบ่าย น, น, นานๆจะมีตอนกลางวันมีหาเงียบเลยเขามาก็ไม่เรื่องมาเราก็ไม่รับทีนี้พอออกไปก็บอกท่านมารับอย่างงั้นนี้เขแล้วแต่เขาจะพูดไปท่านไหมล่ะที่มัน เ, เข้าใจากันไปเรื่อยแต่แตกตื่นไปแล้วแต่เขาจะแตกตื่นแบบไหนลนะ่ะแต่เราไม่สนใจใครว่าแล้วเราช่วย ต่อไปมันก็มันก็ค่อยเข้ารูปเดิมเนี่ยค่อยเขาก็รู้เรื่องของวันนี้แล้วก็เขาก็ไมมารบกวนที่แรกก็รู้สึกจะอะไรบ้างอ่ะมีชิ้ผบ้งอะนะแต่เราไม่ได้ขีวกับเขาเนี่ยเขาว่าอะไรเราก็ไม่ขิวมันจะเ ป, ป็นไรไปเห็นเราก็ตำนานเรานี่ไปว่าอะไรก็เชิอยู่นั่นนี่เขาก็เข้าใจซึ่งไม่ค่อยมีใครมาตอนกลางวันอาจารย์เคยเหมือนเป็นเราเลา่เลาคุณจิอบฟังนนมันมีวิชาอะไรกันเนี่ย ก็ยิงกันนับนะหนึ่งะแนนสองคะแนนสามคะแนนนับไปจนหมดวิจาที่เราใช้กับคนนี่เราหมายทั้งหมดอุดรมากกว่าที่อื่นที่อื่นเราไมา่ทราาว่ามาไกลๆมาที่ไหนเราก็ลาภถามมามาจากสังหัดไหน <c oughs> นะครับตั้งนานตามมาเราก็เห็นใจล้วก็ลาภท า, อ, าอุดรเ น, นี่ยใครอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้ไม่เอาวันนี้ไม่ใช่วัดสามเทมเราบอกกัน <c oughs> ท่านมีกฎมีเกณฑ์ท่นานรักษาท่านอยู่มายุ่งทำไมทำลายทายยยยําไมระวังนั่นเลยเรื่งรายสองรายมันก็เข้าใจกันนะกระจายกันทั่วมันมีเรื่องอะไรจะโด่งดังยิ่งกว่าเรื่องของคนคนมันเร็วที่สุดปั๊บเดียวทั่วถึงนั่นหมด <c oughs> หูดินคนเรานะใช่ไหมคุณใบหู้ดีมันทราบได้เร็วเลยเ <laughs> หมือนแล้วแล้วที่นีหนามีอะไรั้างองใครนีอะไรบ้าง นั่นเด็กม็ปัญหาเด็กอย่านี้เห็นไหมกันหมอน <laughs> พออยู่กันพูดพออยู่พู ด, ด, ด, ก, ด, ด ก, กันลุกเล็กลนเองเห็นเสื้อ้าเด็กขนาดนี้กำลัง <laughs> เห็นเด็กอย่างนี้สงสารมรัขนาด <laughs> น, นี้ก็มีจะคันเร่งนะเบรกไม่ต้องมีขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้มีแต่คนะันเร่งเหมือนกัเหยียบคันเร่งเนี่ยเอาไปถึงไหนถึงกันเบรกไม่ต้องเหยียบอ่ะ วันมาเริ่มนอนไม่มีเลยรหว่างเด็กชายตัดรถก็มาถีบตาาในกาตุก็ตีสองพยายามจะบอกฝนตกไม่จะเจ้าเกาบอกฝนบอกไม่เอาวันนอนก่อนันนไม่ได้นอนเลยทัอคืนเห่ายนั้น เลไม่นอ น, ค, น, น, นคื น, นันแล้วเม่นนีนอนบ้างหรือเปคุ น, นี่เด็ดไม น, นอนบ้วันนี้ก็ดูยังกระดุกกร ด, ดิกกระดิกกระดิกนตา่าผ้าเลย <c oughs> อนหนึ่งนุน อ, กออกข้างนอกนะันนี้โตหน่ อ, นอยอเหยียบคันเร่งเข้าใจมละ่ะที่อาจารย์พววูดเราเหยียบคันเร่งอะ่ะขนาดนี้โดยมากเหยียบต่คันเร่งไม่ค่อยเหยียบเด็ดนะเร่งเรื่อยอะไรอะไรก็เร่งเหื่อยไป <c oughs> ต่เป น, เนแล้วพาลงไหนก็ลงเออนั่นให้มีเบรกมั่งรถทั้งคันอ่ะเขามีไว้พร้อมในการปฏิบัติเพื่อความสะดวกขำหรับเราเพื่อความปลอดภัยด้วยมีควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็มีปงอะไรสำหรับเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวาไปตามจุดที่เราต้องการถ้าควรจะเล่นเขาก็มีคันเด้งไว้ถ้าควรจะรอเขาก็มีเบรกไว้กระจกหน้ากับกระจกหลังมีให้มองหน้ามองหลังอ เรามันมองทางข้างหน้ามองจนเถอะว่ากันทางป้านไอท้ที่ไม่มีอะไรเป็นไพร่ะมันดูแต่ไอ้ที่มันเป็นไยู่ตามที่เท้าจะไปชนไปโดนนี่มันไม่ดูหรอกโง่ง้างกระตูมตามอย่าง น, นไปดูแต่ฟ้าเข้าใจเหลยกระจกหลังอมองข้างหลังรถเขาพอเขาแซงกันไปพับก็มองข้างหลังอพอแซงกันไปเข้าก็มองข้างหลัง แล้ ว, วิ่งไปนี้ายังมองกระจกหลังเขามีรถมาตามหลังหรือเปล่าแล้วให้ความสะดวกเขาให้ทางเขาเวลาเราแซงเข้าไปแล้วเป็นยังไงควรจะร่วมทางได้แล้วยังพอแซงเขาเข้าไปต้องมองกระจกหลังถ้าห่างเขาแล้วก็ขเข้ า, าร่วมทางเขามีกระจกหน้ามีกระจกหลังก็มีไฟหน้าไฟหลังมีหมดเนี่ยก็ความปลอดภยัยแต่ได้มากคนเราไม่เด้มันไม่เด้มองนั่นอยูอย่างรถที่มันชนตันตงุงตามตา ม, ตา ม, มนี่เหมือนกัน มีแต่บขบขี่ตาบอดทุกวันนี้เคยเห็นไหมใบขบขี่ตาบอดมันไม่มีกฎจราจรนี่ถ้าขับการตจจราจ ร, รเื้อจรกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยถ้าขับตอนนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรง่ายๆนี้ั่ไม่มีอย่างนั้นนี่มีบขบขี่ตาบอดเอาเงินไปยื่นตัอตำวสี่ร้อยห้าร้อยแล้วเอาใบขับขี่มาเอาขีไปไหนไปเถอะปดตายไม่ใช่ตํารวจตายหนิใช่ไหมเขาได้เงินเข้าไป เวลาตายก็เราเนี่ยอ่าโนนเวลามาขวดซากขวดศพใครเป็นรายล้านเขาต้องจะมีตำรวจเขามีมเขาหน้านันนะระวังให้ดีตรงนั่นนะ <c oughs> พูดถึงเรื่องเบรกต้องพันเร่งเนี่ยเรานี่เหมือนรถคันนึ่งพานจำไว้นะเราจะขับขี่เราการปฏิบัติตัวเราจะปฏิบัติยังไงอันไหนที่เป็นความเสียหายแก่เราอันไหนที่เป็นความเสียหายแก่หน้าที่การงานของเราอะไรเป็นความเสียหายแก่ ผู้ดเกี่ยวข้องของเราตลอดสังกมทั่วไปมีอะไรมั่งที่เป็นความเสียหายเราต้องดูอันไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและคนอื่นนั่นหลักคันเร่งเร่งไปให้มีความขยันหมั่นเพียรเหมือนคันเร่งที่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นประโยชน์และให้เหยียบเบรกลองฟังดูเหตุการณ์คิดหน้าอ่านหลังเหมือนดูกระจกหน้ากระจกหลังทํารงไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างทิ่จะนานดูเหมือนกับเราดูกระจกหน้ากระจกหลังของรถดูให้ดี ไหนที่มันดีและทีการปฏิบัติตัวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เสียคนเราต้องเสียง่ายใช่พิความพินิจพิจารณาอย่าเอาความอยากเข้าไปว่าถ้าความอยากเข้าไปว่าแล้วมันก็เหมือนกับเหยียบคันเร่งมันอยากไปทุกสิ่งทุกอย่างอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรละอยากไปหมดเต็มไม่มีอะไรจะมากมายิ่งความอยากอยู่ในหัวใจมันไม่มีเขตมีแดนน้ามหาสมุทรทะเลน่มันยังมีฝั่งนะความอยากไม่มีฝั่งไม่มีมันอยากเรื่อยไป มันเหมือนกับไฟได้เชื้ออไม่ใช่ไฟจะดับด้วยเชื้อนะได้เชื้อเท่าไรมันก็ยิ่งไฟใหญ่ี่ใจของเราเมื่อวันนี้ทําอย่างนี้แล้ววันหน้ามันก็จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นอยูอยากให้ทํามากกว่านั้นผิดถูกไม่คํานึงหรอกเพราะคำอยากมันมีกําลังมากกว่าเหยียบแต่คันเร่งเร่งไปเร่งไปก็ลงคลองตูมน่ลงคลองมันดีเหรอไม่ใช่กบถ้ากบมันไม่เป็นไรโดดลงคลองมันปลอดภัยใช่ไหมแต่คนโดนลงคลองแล้วมันตาย อาจารย์ต้องไปนะสอนลูกศิษย์ลูกหาต้องสอ น, นอย่างนี้ไม่งั้นไม่เข้าใจ <c oughs> จะเข้าใจว่าเราเป็นกบใช่หว่างั้นเวลาเราจะลงครองก็เราไม่ใช่กบใช่ไว่างั้นนะเราต้องระวังเลยคือความเสียหายที่มันตกไปน่ะตกไปสู่ความเสียหายเรียกว่าตกครองอย่าทำมันระวังพิจารณาอ่านหน้าอ่านหลังดูให้ดีเการพบนิดพบหญิงพบชายก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาถ้าเราใช้กระจกหน้าก็จะหลังเทียบเทียงดูแลอยู่เสมอนี่ ทำเป็นไปของเราจะราบรื่นดีงามหรืเราหาักห้ามรถของเราเราต้องหักห้ามเราเป็นคนขับขี่เองเราต้องหมุนพวงมาลัยเองแบบปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยเป็นไปการเขียนทิศทางเดินความมุ่งหมายของเราหรือไม่เราต้องดูหมุนไปตามนั้นควรหยียบเบรคแล้วก็เบรคควรรอเรารอควรหยุดเราหยุดควรทําเราทำควรเร่งเราเร่ง ด, ดีนั่นหยัยบแต่ขั้นเร่งเหมือนไหม มันระายเป็นแบครับผีตาบอดเไปนะตากด็ดีๆอยู่แต่มันไม่เห็นสิ่งที่มันจะผิดมันไม่ดูวันงหูมีมันไม่ฟังมันหูมอกออกระทะไปนั่นรถตั้งคันแล้วไม่เกิดประโยชน์ในการเป็นข้าศึกกับคนกับผู้ขับและผู้โดยสารด้วยกันหมดพอละมั่งขนาดนี้นะสอนทุกเนี่ยทุกมุมแล้วข้างบนก็สอนข้างล่างก็สอนสอนตรงเนี่ยแล้วคุณประจวบจะมีอะไรอีกฮะ อาจารย์ต้องขออภัยบันดาลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยนะเราถือเป็นกันเดงนัล้วก็ว่างไปแบบกันเองเนี่ยอ่า